วันนี้เป็นวันสำคัญของชาวพุทธจะเรียกว่าเป็นวันสำคัญที่สุดในรอบปีของชาวพุทธเลยก็ว่าได้เพราะว่าวันวิสาขาบูชาเนี่ยเป็นวันที่น้อมใจให้เราลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพุทธศาสนานั่นคือการประสูติตัสรุและประนิพพานของพระพุทธเจ้าถ้าพระเจ้านะไม่ได้ประสูติไม่ได้ตัสรุก็ ย่อมไม่มีพุทธศาสนาแล้วก็ย่อมไม่มีทีย่ยดเนียวในทางจิตใจนะสำหรับพวกเราหรือเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะที่จเจริญ ง, งอกงามห่างไกลจากความทุกข์จนเป็นอิสระจากความทุกข์ในที่สุดเมื่อวันวิสาขาบูชามาถึงนะก็เป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีของเราชาวพุทธนะที่จะ ทำบุญอย่างพิเศษแตกต่างจากวันอื่นๆหลายท่านก็มาถวายอาหารหวานคาวกับประสงค์ที่วัดหรือถวายสังฆทานรวมทั้งการรักษาศีลบางท่านก็ไม่ใช่แค่รักษาศีลหนะแต่รักษาศีล8 รวมทั้งการเจริญภาวนาแต่ว่าช่วง2ปีที่ผ่านมานะโอกาสที่จะได้ทำสิ่งดีๆอย่างนั้นเนี่ยมันมีน้อยลงนะเพราะว่าการแพร่ระบาดของโควิดอย่างที่ทราบกันดีหลายวัดเรียกว่าแทบทุกวัดในประเทศนะก็ไม่อนุญาตหรือไม่เปิดให้ญาติโยม มาทำบุญตามประเพณีนะนะทำบุญก็ต้องทำบุญกันที่บ้านนะซึ่งก็ทำได้อยู่แล้วโดยเพราะการรักษาศีลและการเจริญภาวนาแต่ปีนี้เนี่ยสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นนะถึงแม้ว่าโรคโควิดก็ยังระบาดอยู่นะแต่ว่าหลายวัดหรือจะเรียกว่าส่วนใหญ่ก็ได้นะตอนนี้ก็เปิดให้ญาติโยมมา ทำบุญในโอกาสสำคัญนี้และการทําบุญนะที่ขาดไม่ได้สาหรับ ก, การสาหรับวันวิสาขาบูชาอันนั้นคือการมาเวียนเทียนนะปีนี้เนี่ยเรื่องวัดส่วนใหญ่นี่ก็เปิดให้มีการมาเวียนเทียนได้ตามประเพณีแต่ว่า ไม่ได้ทําอย่างง่ายๆสบายเหมือนเมื่อก่อนก็ต้องมีความรัดกุมมีความระมัดระวังเพราะว่ายัางต้องตั้งกาดให้สูงเข้าไว้ก่อนจะมาเวียนเทียนก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยวางระยะห่าง อ, อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องอ ลรลึกนึกถึงเขาอยู่เสมอดี๋ยวแล้วก็ตามเนี่ยปีนี้เนี่ยนะมันมีสิ่งพิเศษนะที่อยากจะเชิญชวนให้ชาวพุทธเราได้ร่วมใจทำกันเมื่อมาเวียนเทียนในวัดนะตอนนี้ก็มีการรณรงค์เชิญชวนให้ญาติโยมสาวุชนนะนำต้นไม้มาเวียนเทียนด้วย เลือกว่าเวียนเทียนด้วยต้นไม้หรือเวียนเทียนด้วยกล้าไม้นอกเหนือจากการมานําดอกไม้ธูบเทียนมาเวียนเทียนตามประเพณีแล้วทำไมถึงควรนํากล้าไม้มาร่วมเวียนเทียนด้วยก็เพราะว่าการเวียนเทียนเนี่ยนอกจากเราจะมารำลึกถึงบุญคุณของพระพุทธเจ้าแล้ว หรือมาบูชาคุณของพระพุทธเจ้าอย่างที่เคยทำแล้วเนี่ยสิ่งนี้ที่เราควรทาก็คือเราลึกถึงบุญคุณของต้นไม้ด้วยนะเพราะว่าต้นไม้นี่ น, นะมีความสำคัญอย่างมากนะต่อพุทธประวัติไม่ใช่เป็นที่ที่พระเจ้าได้ประสูตรเราก็ทราบอยู่แล้วนะพระองค์ประสูตรต้ต้นไม้แล้วก็เปรี่ญนิพพานใตายต้นไม้ แต่ยังทรงบําเพ็ญตัดสรู้พระสามาสัมพทธิยาณก็ใต้ต้นไม้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะที่พระเจ้าเนี่ยทรงตัดสรู้ใต้ต้นไม้เป็นความตั้งใจของพระองค์เลยนะที่จะเลือกสถานที่ที่มีความสงบสงัดมีธรรมชาติสมบูรณ์รวมทั้งมีต้นไม้ที่ให้ร่มเงาเราสิ่งเหล่านี้เกื้อกูลต่อการบําเพ็ญภาวนา สามารถจะส่งผลให้เกิดการตัดสลูจนพ้นทุกข์ได้แล้วก็ไม่ใช่มีพระพ เ, เจ้าพระองค์นี้พระองค์เดียวเท่านั้นนะที่ตัดสลูตายต้นไม้พระเจ้าเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนพระเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยยีพระองค์เนี่ยก็ลนตัดสรูตายต้นไม้แล้วก็ไม่ได้เป็นต้นที่รู้ราอะไรนะ เป็นต้นที่ธรรมดาในสายตาของเราก็ได้เช่นต้นมะม่วงต้นมะเดือ่อต้นมะพร้าวนะต้นสะเดานะหรือว่าต้นมะขามป้อมต้นไะผ่ก็มีนะอะไเหล่านี้เนี่ยนะก็เป็นต้นไม้ที่เป็นที่ประทับของพระองค์ ทุกพระองค์เลยนะจนกทั่งตัสรุดังนั้นเนี่ยเราเป็นนี่บุญคุณของต้นไม้มากแต่ว่าชาวพุทธเราเดี๋ยวนี้มองข้ามความสําคัญของต้นไม้ไปในช่วงวันเวียนทีในช่วงวันวิสาขบูชาเนี่ยเป็นโอกาสดีที่เราจะมาระเลิกถึงบุญคุณของต้นไม้ที่มีต่อพระพุทธองค์ และที่มีต่อพระพุทธศาสนาอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจหรือเป็นแสงสว่างทางปัญญาให้กับพวกเราเมื่อเรามาเวียนเทียนวันนี้เนี่ยนะเย็นนี้ค่านี้ก็ตามเนี่ยนะอยากจะเชิญชวนให้นำกล้ามไม้มาร่วมเวียนเทียนด้วยซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่การระลึกถึงบุญคุณของต้นไม้นะเป็นการบูชาคุณของพพุทธเจ้าอีกทางหนึ่งด้วย เราบูชาพระเจ้าด้วยดอกไม้ทูปเทียนอันนี้ก็ดีอยู่แล้วนะแต่ว่ายังเป็นอาบิสบูชาอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเรามาเวียนเทียนด้วยกล้าม้เนี่ยมันสามารถจะเป็นปฏิบัติบูบชาได้นะเพราะว่ามันเป็นการแสดงถึงปณิธานความตั้งใจของเรานะที่จะสืบทอด ส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นไปเพื่อการเกื้อกูลความเจริญงอกงามทางจิตใจสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อความงอกงามของจิตใจเนี่ยอันได้แก่การมีธรรมชาติที่ร่มรื่นนะมีต้นไม้ที่ให้ร่มเงานะ อันนี้ในทางพุทธศาสนาเรียกว่าถิ่นโรมันีนะคำคำนี้เนี่ยนะอาจจะเป็นคําที่เราหลงลืมไปอาจจะพ้นกับคําว่าโรมันีแต่ว่าโรมันีที่เราเข้าใจนี่อาจจะคนละอย่างกับโรมันีในพุทธศาสนาซึ่งหมายถึงความร่มรื่นนะให้ความร่มเย็นแก่กาย และให้ความสงบเย็นแกจ่จิตใจดงั้นถ้าเราตั้งใจที่จะปลูกต้นไม้กันมากๆโดยเฉพาะในช่วงวิสาขาบูชาแล้วก็แสดงเป็นสั ญ, ญลักษณ์นะโดยการเอาต้นไม้ต้นกล้าเนี่ยมาร่วมเยียนเทียนด้วยเนี่ยมันคือการแสดงเจตนาณงของเราว่าเนี่ยเราจะตั้งใจสืบทอดส่งเสริมชินโรมนี นะให้คงอยู่แล้วก็แผ่ลายออกไปอันนี้ถือว่าเป็นการบูชาคุณพระพุทธเจ้านะเพราะหมายถึงความตั้งใจที่จะสืบอายุพุทศาสนาถ้าเราจะบูชาคุณพระพุทธเจ้าเนี่ยนอกจากการรักษาศีลการเจริญภาวนาเพื่อทำให้เกิดความเจริญงอกงามของชิตจิตใจแล้วถ้าเราช่วยกันสืบอายุพุทธศาสนา ด้วยการสร้างส่งเสริมอนุรักษ์ถิ่นรมณีให้คงอยู่และแพ่หลากไปเนี่ยก็ถือเป็นการบูชาคุณของวุะจ้าอีกอย่างหนึ่งด้วยเป็นปฏิบัติบูบบชาดอกไม้ทูบเทียนที่เรานำมาเวีนเทียนเราเวียนเทียนเสร็จส่วนใหญ่ก็ทิ้งกลายเป็นขยะถ้าเกิดมากๆถ้ามีมาก ๆ, ๆก็กลายเป็นโทษไป แต่ต้นไม้หรือกลาไม้ที่เรานำมาเวียนเทียนเสร็จแล้วนี่นะเราไม่ได้ทิ้งแล้วก็ไม่ควรทิ้งสิ่งเราควรทำคืนนำไปปลูกนะในบ้านของเราในถิ่นของเราในหมู่บ้านของเราในชุมชนของเราหรือว่าปลูกในวัดก็ได้ถวายให้กับวัดเพื่อให้ท่านให้พระท่านได้นะมาเติมเต็มพื้นที่สีเขียว ให้วัดสมเป็นถิ่นรมณีสมเป็นอารามคือความสงบร่มรื่นอันนี้ก็เป็นการสืบต่ออายุศาสนาอย่างหนึ่งนะเพราะเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการภาวนาการเจริญงอกงามทางจิตใจจริงแม้จะไม่ภาวนานะแค่อยู่ภายใต้ร่มไม้นะจิตใจมันก็เกิดกุศลได้ง่ายความร่มร่อน ดับหายไปมีความสงบเย็นเข้ามาแทนที่ใครที่เคยกระกุ้มรุ่มร้อนพอมาอยู่ใต้ต้นไม้พอม้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติจะสงบสงัดจิตใจก็สงบเย็นได้เพื่อต่อการทําความดีการพัฒนาจิตให้เจริญ ง, งอกงามในปีนี้เนี่ยนะเป็นปีแรกนะที่มีการรณรงค์เชิญชวนให้เวียนเทียนด้ต้นไม้กันแล้วก็มีหลายวัดนะตอนนี้มากมายนะ สึกกับจังหวัดที่จะร่วมเชิญชวนญาติโยมสาธุชนมาเวียนเทียนโดยต้นไม้ด้วยอย่างในกรุงเทพนี้ก็มีนะวัดโพนะวัดสามพระยาวัดอรุณวัดระคังวัดสุทธิวัดพระรามเก้าวัดสริพงธรรมนิมิตวัดทองบนชาญเมืองก็มีวัดญาณวสสกาวันนะ แล้วก็วัดสวนแก้ววัดสังฆทานนะในต่างจังหวัดก็มีหลายวัดหลวงตั้งชัยภูมินี่ก็นะวัดในเครือข่ายของสุกโตนี่ก็จะมีการเวียนเทียนด้วยต้นไม้เหมือนกันในกรุงเทพนี่จริงๆมีอีกหลายวัดนะแต่ว่าเออชื่อมาไม่ครบถ้วนงั้ญาติยโยมเนี่ยที่จะไปเวียนเทียนเนี่ยในวัดตามวัดเหล่านี้เนี่ยนะก็ ถ้านํากล้าไม้ไปด้วยร่วมเวียนเทียนก็จะดีแต่ว่าถึงแม่ไม่ได้นําไปนะที่วัดเหล่านี้เนี่ยก็เตรียมกล้าไม้เพื่อให้เราได้นําไปเวียนเทียนเสร็จแล้วก็นําไปปลูกที่บ้านเพื่อเป็นสิริมงคลหรือเพื่อขยายจินลมบุนี้ให้กว้างขวางเป็นการสืบอระยุทธ์ศาสนาได้ที่นี่ก็เหมือนกันนะวัดป่าสุขโตถึงแม่ปีนี้เราจะยังไม่ประกาศกว้าง เพราะว่าสถานการณ์ยังไม่แน่ไว้วางใจทีเดียวแต่ถ้าจะมาเวียนเทียนนะี่ก็อย่าลืมนะมาเวียนเทียนนอกจากดอกด้วยดอกไม้ทูบเทียนแล้วนี่ก็นํากล้าไม้มาหรือว่าถ้าไม่มีที่วัดนี้ก็เตรียมเอาไว้แล้วนอกเหนือจากวัดที่กล่าวมาเนี่ยซึ่งมีเกือบห้าสิบวัดเนี่ยนะร่วมในการเวียนเทียนด้วยต้นไม้เนี่ยจะเป็นวัดอื่นก็ได้นะ เราก็เพียงแต่นํากล้าไม้ไปร่วมเบียนเทียนนะกล้าไม้ที่เราเบียนเทียนเสร็จเนี่ยจะเรียกว่าเป็นต้นบุญก็ได้นะนําก็แล้วเราก็นําต้นบุญนี่แหละนะไปปลูกในที่ของเราเพื่อเป็นสิริมงคลหรือนะจะปลูกในที่สาธารณะเพิ่มพื้นที่สีเขียวขยายจินโรมนี้ให้กว้างออกไปก็ได้อยากเชิญชวนให้ทำกันอย่างนี้กันทั้งประเทศเลยนะซึ่งผลพลอยได้เนื้อคือว่าพื้นที่สีเขียวก็จะมีมากขึ้น ธรรมชาติก็จะกลับมานะมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งทางกายและทางจิตใจของพวกเราไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธเท่า น, นั้นนะเพราะฉะนั้นนี่ก็นะอย่าลืมนะถ้าจะไปเวียนเทียนกันในค่ำคืนนี้ไม่ว่าที่ไหนก็ตามนึกถึงบุญขครองต้นไม้นะแล้วก็นำต้นไม้ไปปลูกกันให้มากๆเรื่องในเทศกาลวิสาขบูชา